เกิดประกอบราศึกษาปฏิบัติมั้นคู่มือการเดินทางเมื่อเราเดินทางไปไหนเหลือรที่ที่จะไปสะดวกหรือกดหมายปหารได้ความควมทจะคือการถามเรื่องของหนอ เรื that, miracle, ่อตัวเราก็มีการทีกจเกิดขึ้นที่กายที่ใจเป็นผู้ลนรมเป็นความดีก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจเป็นดับผู้ชคำในบาปวมทุกข์ความไม่ดีก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่ เดะพุท้จ้าเป็นผู้บวชขึ้นในโลกก็มาเห็นสิ่งที่ดีที่ถูกเกิดจากราจารยจที่ตรงที่คะพเพากษาอารเก็บปมตามและขัดจไม่ได้รารศึกษาจบมาสิกชาของพระจิทธรรม ตอบไม่ได้ไม่ใช่คิดไม่ใช่วิทยาศาสตร์พิสูจน์อะไรจะเห็นว่าทาเดียวคือออกกันหมดเพื่อเช้ชีวิตเป็นอนาณาจักรบุคคลไม่ว่าอะไรเรื่องเหมือนเพากเราที่สาธยายพิสูจน์ สุทาอภไรสักนอาณากายามก็ปรากฏต่าในขณะออกวัวจากเดินไม่เจ่ยก็้อ่ยวาดด้วยเดือนเลยมีสิษยาละธรรมเป็นเครื่องเดือดชีวิตของพวกเราสองหลายชีวิตเ็น ที่จะหน้าการเกิดแก่เกิดตาต้องเรียงด้วยสีขาและรมสคขาวก็คือความดีการความบริสุทธิ์ไม่โจดเจากเครื่องช่องหมอมี โ, โรคปวดหลงเป็นต้นไม่ออกจากผิจับ ก, กาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ หลวงพ่อเห็นว่าถ้ามีความเกิดว่าต้องมีกลามไม่เกิดถ้ามีความแก่ก็ต้องมีความไม่แก่ถ้ามีความเจ็บว่าต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีความตายก็ต้องมีความไม่ตายจะหาตามตรองความคิดเหตุผลไม่ได้จึงศึกษาออกกายเป็นตำลาออาใจเป็นลำลา เอาสติเป็ น, นหน้าศึกษาพิสูตโ์ตวิธีที่ศึกษาตังนี้ปฏิบัาวิชากรรมฐานเขียนที่ตั้งขอากันกระทำค น, นพบอวยพระ อ, องค์เองอยากการศึกษาวิธีหนึง่งนอนเชี่อนนอนหนา บ, าบอดน้ำอดน้ำรมา ราที่นา่กับภูไอก า, าเลยไม่เหมือนรุ่งจะเหมืนกนพระพุทธเจ้าพระพทธจ้าาแต่ยังไม่ป็นพระเจ้าพระหลงคลิดหลงทางอยู่นนปเป็นเวลานานถึง6กปีปวดข้าวออกนาะร้วนเจ้าชีพไปลอ ลู่ติดตามชมประวัตสิสมัยโน้ตเ พ, พื่อปันจุบันขี่ต่อออกลงสองน้ำในลงชนันลาเอาขึ้นน้ำจึงไหวลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่หด้เรียกมือเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องศึกษาเรื่องชีวิตมันเข้าไม่รู้ เป็นปัญหาไปจับจิตนัดผมถึงไม่ได้เลี้ยวมนเลยะยะโตรกับโลกกัหลวงอยากมีชีวิตตันหนอยู่คิดถึงเรื่อาลาวเตอว้องวนจึงเห็นความคิดว่าเอ อ, อนี่มันไม่ใช่จะเกี่ยเปลมากกนะอยากเดียวต้องมาศึกษาจิต เลยการมีจมีรูปมีนามปัญหาเกิดทีกายจิตกายอิสระไปเหตุจิตมันอิสระไปเหตุเป็นสิจารจิตที่จะิจรณทาก็คือกรรมฐานกรรมฐานก็คือ เหสติเป็นกายที่เป็นประจำร่างกายที่ต่ออบของรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวตั้งไว้ที่าทการ จ, จำเนรอาศ่ยแบบสัมปัญญะกบภาพการเคีย่ไหวรู้แขนเข้ารู้สึกตัวเหยื่อแขนออก รู้จุดตัวผู้แขงเข้ารู้จุดตัวเหยียดแขงออกรู้จุดตัวไม่มีสติไปในกายอกกายไปจมหมองปกของรู้จุดตัวอกจิตใจคือความรู้จุดตัวไปจมมองปกของรู้จุดตัวเหตุเหมือนเกิดขึ้นของปิดไม่ใช่รู้อย่างเดียว เวลามีสติจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตมากาหลายอยา่างเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมากมาหลายอยา่างก็สักจะรออาการที่มันเกิดขึ้นจากกายจากจิตมันจะกต่ว่า ไ, า ม, ไม่ได้หลงไปไปขวางกับจิตมีสติแน่นแหวกไปตาย เกิดไหลขึ้นรู้สึกตัวเกิดไหลขึ้นก็รู้สึกตัวท่าทีเกิดท้ากายมีร้อนมีหนาวมีปวดมีเมื่อยก็รู้สึกตัวเกิดเป็นจุปเป็นทุกข์ก็รู้สึกตัวโดยจะฟังคิดคิดถึงคินคาลามก็รู้สึกตัว เราจะมันคิดได้เดยที่แก้เคลื่อนจจิต ก, ก็รู้สิบตัวว่าให้จิตพาไปป็นสุขเป็นทุกข์ให้กายพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์ก็คือให้รู้สิบตัวพอดีก็จะได้ทุกข์ก็รู้สิบตัวพอดีก็เีว่ามาีหนาวก็รู้สิบตัวเยอะมากโห่คนน้นอยไม่มีบ้านใมเือน ไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ก, กับสายเ็รษก็มาบายันจบก็เปียดแดตออกตรอนไม่มีที่มุมไม่มีที่บงังแสงเดอก็เทิดแต่ละสายตลอดมาออกผลถิ่ที่ปลายก็หนาลูดิบตัวเหมือนจบก็รูดิตัวมันทบก็ูดิบตัว และให้ศุกเป็นศุกไม่รู้เป็นรู้ทำมโนที่ความรู้สึกตัวตอนที่เกิดขึ้นว่าต่อตาต่อใจรู้สึกตัวนี่เป็นเจนที่ัดเข้าไปเป็นวิทยาศาสตร์มองผิดมองทูกก็มีชดีตั้งไว้ มันเป็นสิ่งกำหนดจิตใจที่ว่ามันจะต่าครันอยู่กับของลู้จุกัวของรู้จุกัวคือคือสิ่ที่ไม่เป็นธรรมมันเหนือมันจุกก็เห็นมันจุกนี่มันเหนืออย่างนี้มันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันร้อนกห็นมันร้อนมันหนาวเห็นมันหนาว ปวดนเมื่อยให้มันปวดมนเมื่อยนี่คือความรู้สึกตัวเรจะตากันอยู่คอยติดตามไปิมใจลงไป้ามองไปตาคารู้สึกตัวไปใความรู้สึกตัวเป็นใหญ่่ะให้ความสุขความทุกข์เป็นใหญ่ศิษย์ศรเตนเด็อย่างนี้ไปเตรียมที่ได้จา สิ่ที่เกิดขึ้นกับกายกับจิก็หลายหลายอย่างนีประสบการสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจตลอดเวลาานที่หนึ่งด้บทเรียนเยอะแยะพิจาณาถิ่นได้บทเรียนเยอะแยะเมื่อได้บทเรียนก็มีประสบการไดเปลี่ยนลายเป็นดี เปอะไรที่เกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นลูกเป็นินที่หวอด้าเลือกได้เลือกหวานสูงความลูกมีอิสละจิัตวลูกถูกคนลูกอะไรเกิดขึ้นมาลูกเองลูกเองจุดแรกก็อาศัยเนี่ยนีเคลื่อนไหว ด้วเว น, นิมิตเขาขายเป็นนิมิตที่อาศัยเกาไปก่อนหมถว่าน้มหัวใจเข้าหัวใจออกขอบที่หลงหัวใจรู้สึกตัวได้ดต่อรู้สึกตัวอาอถาการณ์ที่เกิดกับการกบารมาเป็นเื่องมือแห่งความรู้สึกตัวทุกเรื่องทุกราตอแรงกดตานที่มันเกิด้กับการๆๆรู้สึกตัว เป็นสิที่มารอมที่ตรงนี้ก็มีความรู้สึกตัวตรวนี้พบเห็นสิ่ต่างๆที่เกิด ก, กับนากับเจแท่นเขาเกินหน้าไผดีเช่นหลงหลงไป้างตาทางหูเพราคือหลงจะรู้สึกตัวไม่เปลี่ยนหลงเป็นลู่ไม่เปลี่ยนหลงเป็นลู่นลนลหนอยเมือนหน้าของขายลู่ ด้วยความถูกจากความผิดในความรู้ากความหลงด้วยความไม่ทุกข์จาความทุกข์ดความไ่ดจาวมดนักปัจจเก่ารู้สงว่ามันตากเกาความหลงก็เป็นหลงรู้ทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็เป็นป เมื่อเราตัดถ่ดแล้วหลกเป็นรูก็เป็นูทุกข์ก็เป็นลูปมันจบมันจบมันจบนี่ว่าในสติเป็นเจ้าของกายใสติเป็นเจ้าของจิตใจเื่อกายมีเจ้าของเมื่อจิตใจมีเจ้าของก็ได้รับ พราเป็นทรรมจิตใจก็ได้รับความเป็นธรมื่อกายได้รับความเป็นทางจิใจได้รับความเป็นทรมแล้ว ก, ก, ก็รู้จักแล้วก็เลือกแ่้วก็ได้ไม่รู้ให้ ม, มีสติอันที่ก็โ ป, ปุพเ็ดโธ เดี๋ยวพมาลูกเสียเกลียวความปวดแนี้ไม่เสียเกลียวเลูกเห็นความทุกข์กาที่เจนาูดหน้าเบือเศร้าหมองกายเป็นความายิ้มแย้มจ่มใสเห็นสิ่งไม่ถูกต้องมันบอกให้เราไรู้ว่านี่คือสิ่งไม่ดีเป็นอเป็นสเป็น บ, ปนบนาปลูกจัปตตุลไ นี่ลูกไม่เป็นดุกอยู่แล้วไอ้ที่เป็นดุกไอ้ที่บาดคำมันตัวนี้พิสูจน์กานี้ลูกเองเห็นเองเป็นปัจจัยตามของผู้ปฏิบัติหลงเงินก็ต้องรู้เงินตีเตียงก็ต้องรู้เงินสุทุกข์ก็ต้องรู้เงินให้รู้ก็ไปให้รู้ก็ไป ด้าความนั้นเราก็คลาให้เป็นสุขเป็นทุกข์มันตึงใ่อีวไปไหนกดได้เอาความสความทุกข์้จเป็นห่ชีวิตเป็ห้อยไปแกับจิตจิตเปใหญก็เปล่าเทีนแ่มันคิดเก็นไปเราถือว่า ตัวตนเอาความคิดเห็นทุกขว่ า, วาตัวตนเป็นจุกข์คามคิดเป็นทุกด้ว่าตัวนตนตัวตนเป็นทุกข์ทุกข์กของควาิดทุกข์องคาคิดแต่ถ้าที่ไม่ใช่ตัวตนก็นมีสติรู้สึกตัวก็เห็นเห็นความคิดความจริงจะต้องเกิดตาขับตาแน โดยบทเรียนเยกแยะที่มันจริงที่มันคิดให้ถูกต้องให้วามถูกต้องได้ปัญญาจากปัญหาปัญหาเกิดขึน้นที่กายที่ใจจะได้ปัญญาเกิดขึ้นที่กายที่ใจจึงเรียกว่าความรอบรู้ในของเฉลิมหรือว่าปัญญาห ว่าใช่ลูกพอเรีเรยนมาจำมาแต่ก่อนก็รลูกเอาความทุกข์ไม่ดีแต่ก็ยัทุกข์อยู่แตก่อนก็ลูกอาความโกรธไม่ดีก็ยังพากันโกรธอยู่พอ ไ, ได้สองฝักจริงๆขีงมรู้เจ็ตัวแล้วก็จะรู้แล้วก็ทำตา ม, ามความคิด ยืนทตำตามความคิดสองเด็กถวามกิดแล้วจะรู้เจตัวก็มีบางคนปวดแล้วต่อกันแล้วแต่ท่านบอกปวดไม่ใช่จิตสดงการที่เกิดกับจิตทุกแล้วโดยจัดจิตก็ไม่ใช่จิตอนตย่อเวลาขันติกะจนอาศัยจิตเราไม่รู้ สมัยก่อนเนระามาศึกษาปฏิบัติโดแล้วก็เห็นกระแสเห็นช่องทาง <_ d ata> เห็นธาบอกผหตบอกผลก็ความทุกไม่จริงความไม่ทุกมันจริงความโปวดไม่จริงควมไม่โปวดมันจริง มัี๋ยไม่มีใคจไเอาเ่าถ้าเราเห็นกเห็นไเมืม่อเราเห็นงูไม่มีใครให้เองูกัดที่มันเห็นเนี่ยเห็นทุกเหมืนเห็นงูพิษวก็ไม่ต้องให้หกจาเอาหนีไปจากทุนคนจับงูวงูก็เดินกับอะไก็ทำหน่อยนี่ เ็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจาทุกข์เห็นมปวไม่เป็นผู้ปวพ้นจากความปเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้ลลงนจากความหลงนปิบัติตนี้จิตกจิตก็ถพัฒนาถูกพัฒนา ลาความทั่วทำความดีจิตมริสุดเห็นหลวงไม่เป็นผู้หลวงเพราะจากหลวงนี่เวลาความทั่วหรือทำความดีจิตจะบริสุทธิ์ตรงนี้กายก็บิสุทธิ์ใจก็บีิสุดธิ์เมื่อกายบริสุทธิใจบ้ิสุ ด, ส ด, สดมันคืออะไรคือเป็นสิน่งสิ่งคือปกติ สิ่งคือผูเก่าความไม่ดีออกสมาธิผูเก่าความไม่ดีออกปัญญาคู้เก่าความไม่ดีออกเป็นอยู่ด้วยว่ า, ว า, ว า, ออวาสิงเป็นเพือผู้ก่าทำมัจิตบริจุดด้วยสิ่งสิขหาสิ่งแต่สลูสิ่งลายเป็นพุทธเป็นอย่างนี้เราควรเพื่อวคนละอย่างนี้ ทน功德ที่ทำอย่างนี้ทำไม่เกบบริสุทธิ์คือทั้งอย่างนี้ไม่ใช่พูดเอาสองพันเอาเลยความบริสุทธิ์จากความจบปกุกเลยความช้าจากความถกปุกเลยความผิดและความไม่ผิดจากความผิดตรเกันข้า เมื่อเราปฏิบัติศึกษาตัวเห็นกระแสแห่งความถูกต้องเห็นที่เห็นทางหลับหลับไดาเหมนวิทยาศาสตร์ออกคิดออกถูกได้ตู้เองเป็นปฏิจัจตังของผู้ปฏิบัติการกระทำอย่านี้มาช่วยกันได้ตัวใครตัวมัน วิชาตรรมฐานเป็นวิชาที่ตัวใครตวมันเดินใ้กันไ้ไม่ไดมีรัวภาษีออกมได้เดิให้กาานสบสมบัติไม่ได้เติมสวตัวเป็ น, นปัจจับตอสวตัวเหมือนนมสยสาทยาสูาจน์เฉาะเจม แตว่าพระโตมัตวัจลรรมโมพระธรรมันพระผู้มีพระภาคาจ้าตาัสว่าดูแล้วคือมันดีแล้วเห็ุก็คือปีติจริงๆถูกก้เพราะเติจริงๆผู้ศึกษาปฏิบัติจึงทำด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่น้อมมาใส่ตัวเป็นสงที่น้องเราเข้าไปหาสรมารถของกต้อ ง, ง, องให้ผลได้ตามผู้ปฏิบัติสมมติหลงหนึ่้ากับลูหนึ่งข้างติด่ข้างกับู้…หนึ่งข้ า, ข า, ขาก็หลงหลง ไปตามความหลงตึงหลงในความคิดไปตามความคิดสิดไปไปนี้ไปานานสมดเดินจากออยู่ชั่วโมองชั่วโมองประมาณสี่ทกเก้าเปินบอดีอดี จะรู้ทุกข้าวโปรตีห้5พันรูปแต่บางคนไม่รู้ทุกข้าวเดนชั่วโมง 25,000 ข้าวเราจะรู้ครึ่งหนึ่งก็มีได้ใจจากใครแต่รู้ใส่ใจในเรื่องนี้จลาเท่ากันพาจะลหกกลงงัดขวารู้ จึงอยู่ได้กับให้ผลได้ไม่ตามที่ควรเจะผู้ปฏิบัติผู้มีความเพียรมั่นคงกย่อมเหมือนหมาที่มีผีเท่าดีเดินด้วยไหวขวบคอนเทไม่มีความเพียรมั่นคงไม่มีสติเหมือนหมามีผีเท่ามาดีเดินถาก็ะริหางกันไป เดินจึงเสอะใจให้ลูเจ็กตัวโดยเขาก็มาถามแบบคู่แขน เ, เข่าเหยียดแขนออกนี่มีสินนบสี่ลูกที่ชี้แจงอกลูกทุกจังหวะกังหวะต่อเคลื่อนไหวที่หนึ่งวิณัทีหนึ่งเคลื่อนไหวทีหนึ่งลู่ลู่ลู่นวิณาที่ละลู่ ลองพิสูจน์ดูวินาทีหนึง่งรู้ทีหนึง่งวินาทีหนึง่งรู้ทีหนึงนน่งหกสิบวินาทีเป็นหน่งนาที่หรือองรู้หกสิบข้างต่อดาทีหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนไม่หกสิบนาที ก็เป็นร้อยร้อยพันนาทีร้ 100, อยพันรูปชั่วโมงนึงรูปลู่เนี่ยมันเป็นของแท้ ส, ส, สัตว์สิทธะความรู้ใจตัวนี่มันสามารถทำได้จากตาจากใจของคนเรานี่ยเราเกิดมาถึงเวลาเี่ถึงคู ด, ดี้ในความรู้ ทุกขโมงเหมือนมีควงลูกใครมีความรู้ทุกนาทีเหมือคมีความรู้เชตัวทุกนาทีบา้างไหมก็จะมีสุดตอนนี้มีสถานที่ให้ใสื่อในดพระอารามประเทศไทยวัดว่อารามวัดแต่ประเทศไทย ข้อสงแบบไทยๆข้อพิมีแบบไทยๆข้อนัาปวดแบบไทยๆมาพิจาดณาที่จะเกิ ด, ดสมผัคบได้เรื่องนี้เมื่อแต่ไปคิดอะไรอยู่สมขาข้อหลอกเอะกวงเสี่ยงไปเป็นต่างๆวันนี้ก็แชร์ไปแล้ว ไปแล้วชีวิตผ่านไปแล้วหลายแล้วเวลาเตืนชีวิตจไปแล้วการเวลาเืนชีวิตของเราคนดไปหมดไปบัดนี้เรามาเลีอยู่ได้าลจากในชีวิตมีใจเพ่งใจได้หมมีใจเพ่งใจได้หม บางทีก็ความก็เพิ่งหนได้เลยไม่มั่นเใยตัวเองไม่รู้วจะเป็นอย่างไรทุมไล่ทุ่มดีผู้ผูแก้แค่จะนอนก็หาเรื่อ ง, อ ง, างมาคิดจะนอนไม่หลับคิดจะนอนไม่หลับหยุดความคิดแรงก็ไม่เป็นให้ความคิดต่าเป็นสูงเปนรูปมีบ้าไหมอ่านแล้ แสดงว่าไม่มีหลักชีวิตไม่ได้สิขาและทํำไปคือด้างชีวิตถก็จกเป็นจบก็รุกเป็นรุกเพราะจิต ก, ก็ต้องไปสู่ความเจ็บควจ็บก็ตาเกิดดอกเกิดดอกไม่หัดจิตตัวเองไม่หัดกายตัวเองแล้วก็ปลื้มเพื่อนจิตมาดีๆใช้ได้เป็ น, น, นแล้ก็ปลืมเพื่อนได้ ก็เป็นจิตศพปงเบาโก็โฉนดอยมาดีๆให้มเป็นก็กเคเคลื่อนติดเล่าติดพอดีติดวงตัวบัมดี้ในยอดทำตั้วได้ก็ไม่สำคัญถ้าตักบันบี้นยอดทตั่วไม่ได้เลยมันก็เสียได้ เมื่อการเมื่อจิตบริสุทธิ์เราก็พึ่งได้ไม่เอาเรื่องสารเรื่องจิตมาเป็นสุเป็นตุมาเป็นคนรู้จิตตัวนี่ระวัตสิขาและธรรมเดชที่แนี่ยยึดจริงจะได้ชีวิตที่จะมีชีวิตที่เป็นชื่อ เ, เ, เดินได้นูไปได้อย่างนั้นไม่ใช่ในคุณฑฐานเกิดขึ้ a ที่กาิจารเป็นคนมีประจาวรความทั่วทั้ง福德จี่บริสุทธิ์ แล้เป็นที่ึ่งพาอาศัยกับคนอื่นสิ่งหนึ่งวัตถุอื่นแล้ก็มีสังคมมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่เกี่ยวข้องกันถ้เราเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขเรารักพ่อรักแม่ไม่ต้องเป็นคนดีมาเป็นคนขี้ใจนี่ ภธรรมฐานนี่ต่อรักเพื่อนรักเพืรักตมีพรจาก็ต้องมาเป็นคนดีความลักคือความดีเ ม, ด ม, มือม่อเรานป็นความดีพอแม่เห็นความจบสุดที่ตึ่นอาศัยได้ลูกเป็นคนดีพอแม่เห็นหน้าลูกก็จะได้สวรรค์ น, นิพพานได้ยินเสียงลูกโคตรได้สวรรค์ น, นิพพาน เห็นกระทำกระทำของรูปก็ได้สวรรค์นิพพานได้ฝรั่งีที่ดีคมีปัญญาเห็นหน้าสารีก็ได้ยึดพางเย็นใจปัญญาที่รั่งเห็นหน้าปัญญากรั่งีก็ได้นิพพานเย็นใจผู้คนดีก็ริยดีเกิดขึ้นคนดีว่าตาถ้าคนทั่วมีความร้ายเกิดขึ้นแตคนว่ายตาย เในโลกทุกวันนี้ขาดแคลนคนดีร้นอนว่าจนบางคนผู้ก่อการหลังที่เก่นดูเมร้อ ม, มากผู้ก่อการอะไแล้าน่เลิกมา เงาวนตกก็เกิดลมพัดบ้านเรียบ้าเปเลยไม่ทั้งแรกไม่ทั่ง่วงมันไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรเกิดขึ้นทุกวันนี้โลคนไม่ดีทำลายเมื่อทำไม่ดีทำลายโลกเราไม่ได้ทำลายโลกเราก็ดโดน้อน จะมาชวนกทำเป็นคนดีให้เกิดขึ้นมาในโลกดีไม่ใช่เลยเปล่าครับชวนกันมาแม้จะมีข้อบกพรนองบอยมีผู้ปิติลาก็เอาไม่อยู่เพราะใจของคนเอาไม่ถุกครับเราปล่อยให้เราจออะไรเราไม่ได้โกรธเขาก็าโกรธเรา เราไม่เคย ท, ท, ทำคิจารณาใครหรือว่าทำเราก็มีเหมือนกันเช่นในเทศการสงกานี้จะเกิดตายกินจบก็ไน่ร้เพราะความเมาความไม่มีสติการเดินทาร่วมกันผลเด้นก็ไม่เมามีสติกากทดธรรมตลอดเต่คนที่เมาสามารถขับรถประชานเราตายไปก็ได้ ก็เป็นผลพ่วงว่อเราไม่ค่อยกลอดภัยจะไม่เคยลำบาทสำหรับราเลยแต่บางเราก็<ๆ><ๆ>อาจจะถูกลูกหลงในความเท่ยวของคนก็ได้ไม่ค่อยจะกอดภยเมื่อคนไม่ดีมีในโลกมากมีแต่าคออกจาบ้านมีแต่าคร ไม่เขาจะมีที่เพิ่งผื้นแม่กบนบลูกเด็กๆเขามีการตั้งทุกวันนี้แม่จะได้ตำรวจตำรวจทผมทักให้โทรหโวดหน่บบ อ, อมยมันก็มาอยู่โนคนโดนคุกไม่ไม่ได้เลยเลกเขาไสอนด่าโทษเรื่องจอ รังบ้ c เด็กในเก 4, คนหน้ า, างอาอยาอาท่านนนเงต็เาปอมเเายบทีไปอุดรเ น, นี่ยอยู่อุดรสนโอุดรนั่นกงก็นนงไม่ ไปเขาจะดน้าต <c oughs> <i S 2> mm ึงหนดอย่างผมเด็กบ้งครับนอนแต่นีมไม่ได้เพราะมันบังครับ้อนองก็ไม่ได้ครับเพราะแค่เราประกาเท่ยวไม่จดแต่แล้วผมเด็กต้องมีกระเนี่ยอาจจนาดต้อกาพิจารณาถูกตงหือไม่มสังชูเสนเขียนเป็นไปไหน เวลาเขาออกจกกองเล็กเราก็เส้นเชือเดิมเลอาห้าอาน้ำผาทำกูกองก่สู้ดึงมาใส่คอแขนคอโวยนี่นะคนเราแท่ๆทำไมทำไมเป็นเช่นนั้นบางคนเหมือนกับตกลงทางมได้ทำอย่างไรบ้าาทำไมไม่ฝึกตนเอง นายส tamam ัวอมว่าไม่ดีดนเู้ฐานลู้าสองลูกแรตัวนึงถ้าคนไม่ดีนี่เอาปแรกู้นเาห้ว่าจะนั่นเราจะทำยังไงเนี่ยก็มีแพอแม่เลี้ยงเรามา คนอยากให้เราเป็นคนดีไมชเชอหรือหน้าโลกช า, าตั้งแต่ค่นโลกจะคันมตาตอนอแม่มองหน้ า, าไปเนนข้าใจคิดไว้ก็เงันดีโกขึ้นมางให้มั่งคู่ก็เลยแก่ก็เลียนต่อไปวังนี้ผ่านหน้ า, ารูปสาวเรยนคนดีให้มันเป็นคนดีให้มั น, น, นดูโคตรแม่ เดี่ยวนี้นดหรือมีโลกคงได้น่อยทุกข์ความทุกมีเยอะแยะในโลกนี้กันดับเล่ น, นทุกขก์หวมทุกข์ลูกเป็นคนดีพ่อแม่มแเป็นคนเก่จอมลูกเป็นคนทั่วทุกแต่ใจ น, นะเราหมาั่นจีใจเท่ากับลกูลกของลุกเขเสียหนาแต่เป็นนี้ ถ้าเราเป็นคนดีเห็นหน้าเราพ่อแม่เห็นหน้าที่เห็นการจการเข้มแข็นะตอบคนแทนคือพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เห็นหน้าเราหูคนดีของลูกเมื่อแต่ลูกจะเป็นลูกเป็นคนน้องจะเป็นคนดูหนูหูความดีเป็นเตะของลูกเป็นปลาปลาชัตูไปเคเบหิ้งความดีของลูก ที่เป็นสวรรค์นค่เ ป, า, ปาเป็นแปรของลูกหึวความดีของลูกเป็นลูกที่เรา้ยนหัวแห้่น่าเดือดเป็ น, นีไม่ได้ใช่วกนี้นไลไม่ตอบคุณท่านันคนนี้จะมาบวชถึงบวดใช้นีถึงหมอสมดับทัทีความความดีตั้งแต่วินา ท, นาทีนี้เดินเข้าวัดนะมาเป็นเจ้ า, าอาวาบ จะ่อกที่ชี้เบ็ดนี่ต้องศืกษาความเรื่องได้แล้วจากวินาทีนี้เริ่มลับควงมทั่วเริ่มทางวามดีที่จะเสริมกับชีวะปวดปวดนั่นคือหนีจากความทั่วไปชู่ความดีเมื่อคนหนีจากความทั่วไปสุ่ความดีก็เป็นคนดีเราคนรมีความสุขความทั่วที่จะ กกัดใจเรามีวิธีหนีความทั่วทางคนดีคือกรรมฐานีหน้าคู่เห็นเข้าเหยียดเหยีออกได้เห็นความทั่วเกิดขึ้นที่กาตั้งใจจะดลบัาลเดิทางคนดีมา้ลยเป็นดีปฏิบัติใจใหญ่เรื่อมาละความทุกข์ทางคนดีด้วยปฏิบัติธรรมเปลี่ยนความร้ายเป็นคนดีเปลี่ยนโงเป็นผู้เปลี่ยนรูปเปนรูนะ c h ราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราต้องจับเวลาเลี้ยงบ้านนอกเราจะเปลี่ยนทั้งโลกนี้ทั้งวังฟาวังคืนอันนี้เราก็มองเห็นใบอนของนี่ยแต่การเก็บจอนหลังก็คถ้าไม่ใบจอนเนี่ยมันจหมดเลยสิบเราหวังอยากเล่นฝ่าอยากทำ สายยาวางวาวอยู่น่ไมเขอยู่นน่นอมาเสร็ในกอกหน้าไว้เพื่อจะได้ชขได้ทันทีเมื่อมีได้รเกิดขึ้นยอย่าวต้องอยู่ที่กองหัวสมบัติตทุกอ่างใช่เกียวโพงอยู่สมอเจับมัชาอตที่หดเป็ น, น, ปนต้นไฟต้นไฟอยู่ที่นี่มาติดตรงนี้ต้นไฟต้นหน้า ม, มีหน้ามหะหลเกิดที่าด ไฟชอบต้องเปไปที่ไหนวมาิดที่นี่้ก็ปิดไม่มีการเิดไปที่ไหนอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเราใช้ปัจจัยหลายอย่างทย้งมีความรู้โลกแต่เราใช้กายใช้ใจอย่ามา การอยู่ยการกินทุกวันนี้มีแต่พฤจิกรรมเราเห็นแต่อดไรตนรอนนอยกลานกลาดูหล า, ล า, ลายลอยู่โรงพาบาลชลอนคจกเุ้มหรือหลงใช้อับสืยกดท่องเป็นทนะวีหนักเราสองอยู่กันดือดคุกง่าเ้วยกั น, นวันละสองกัว ยุ่งเลยพวกเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่ที่เป็ น, ป น, นาสนนารทาี่เป็นลไม่มีประโยชน์ขิงข้าวที่บริสุทธิ์ขิงผักขิงขาทำกินเองน้ำบํานานความวยูเชื่อโรคหาจากถ้าหวานจ า, ากปาเองมากกว่าบางทางขพูดคนอื่ทนทำง่ย กินเร็วผลมโนกินไวๆหวานเย็นหวานเยนน่าร้อนหวานเยนอะไหวาเยนมาจากไหนถุลศีวะสวามันมาจากไหนอาจัขันทศกุีรำตันกับช่างกรช่วยหมออนเดี่ยวได้หน้าหวานปีเป็นเส้สีลงไปเส้นิ้นลไป ฉันแย่งองค์ป่หวเจลงคป่ายมีกินมีสีมีหอมาจากขันทุกสตูไม่ใช่ตัวพเราลูกหรือเปล่ตอนช้าทุวันนี้ก็เห็นประโยู่์เข้าถามันก็จะกอบเล้นะนะและการก็จะได้ัทุกสตูนตอนนี้ <lu v letzte diamond> มีคนอบสีรอยคนอยู่งเป็นนั้งมีเจ้าที่สาสุขอเกิดบเจ็ดคนก็เจ้าหน้าที่บรรจุใหน่อยตอจ้าน้ที่สาสุขบรรจูใหม่็ว่าเกิเจ็ดคนชือจังบอกมาเข้าครอบี้ก่ยเดือนทำมานลงได้บางเป็นบแบบของเขา ในภาคสิเนี้สิบเอ็ดมีล่ามสิบเอ็ดเอชค้งโค่ามากระตุ้นบุนธรรเทเทมคามาอกูคัดเราเห็นว่าสารุึกกรรมฐ า, านนี้เมืม่อเป็นเจ้าที่สามสุกมันทำงานดีมีประโยชน์มีผลเกิดขึ้นกับพ่สุกแล้วจึงเมื่อเข้าครเบที่วัาต่อที่โดคุณหลักใจ ที่หมาเมื่อวานรอด8คนเด็กรอดหลคนต้เดินทั้งนหมดเลันสาทงมาช่วยกระดาษพวกเราอยู่ทีก็เลืนหาทามาท in ี Så, ่ดีแล้วก็แม่ชีตัว่เด็กไอที่นั่งตัวใหญ่ๆอหล่อหน้านักวดช่วยแม่ชีบ้างอยดูดา เรานมหมีกำลังมากไม่ทีตั้งช่อมอาหารตั้งร่างช่วยบ่างจ้าวันหนึ่งไม่มีว่าเลยได้ของขวัญเฉลาอย่างนึงถูกให้ด้วยเจ้าแล้วเวลาฉันเสกลูกเรอยากเป็นลูกหนีกับความเจ็บข้อเจ็บของเล็กน้อยไม่น่าใจกิรสยาเสียเฉลิลาดูโลภๆอะไรไม่ดีอยากแก้ไม่ดี แลากเป็คนื ư, vào, ao, ụ, là, là thì, khi, ờ, ่อยแต่พาเท้าห่ที่นอมาฉันกลับไปที่มนโเราทาควบแต่รสหนมช่วยกันมีน้าจ่าไอ้ชีเดี๋เป็น้ชีอันจะห่แต่ช้ไอ้ชีเป็นเัวใชมากขนาดสุขาไม่เคยดีดูเปนเครื่สืบสวนด อ๋อ